นโมตัสสะภะคะวะโต arahato sama s a m p u t นโมตัสสะภะคะวะโต arahato s ม m a s a m นโมตัสสะภะคะวะโต a ห a โตส o sama s a m p u พุทธังธัมมังสังฆังนามสามิมีสิ่งหนึ่งนะที่จิตใจเราต้องการเป็นสิ่งที่จิตใจเรา ใฝาหาหรือบางครั้งอาจจะถึงขั้นโหยหาสิ่งนั้นคือความสงบแต่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้เลยนะว่าใจของตัวเองเนี่ยปรารถนาความสงบเพราะคนจนน้อยน้อยเนี่ยคิดว่าจิตใจของตัวเองต้องการความสําเร็จชื่อเสียงเกติยต หรือว่าความมั่งคั่งร่ำรวยรวมทั้งโทกศัพท์ต่างๆและสำหรับคนจอไม่น้อยเนี่ยก็ยังปรารถนาความสนุกสนานโดยเฉพาะวัยรุ่นหนุ่มสาวแต่เราก็พบ ว, ว่าคนที่ ได้รับสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเงินทองชื่อเสียงกิติยศหรือว่าคนที่ชีวิตเนี่ยเขามีแต่ความสนุกสนานเพลิดเพลินคนเหล่านี้เนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างขาดหายไปจากชีวิตเขามีครบทุกอย่างที่เขาต้องการหรือที่เขาคิดว่าเขาต้องการ อย่างที่ว่ามาเนี่ยแต่ก็ยังไม่มีความรู้สึกพอใจในชีวิตสักทีอันนัน้นแสดงว่ามันมีอะไรบางอย่างขาดหายไปจากชีวิตของเขาและสิ่งนั้นมักจะได้แก่ความสงบความสงบเป็นสิ่งที่จิตใจต้องการแต่ละคนไม่รู้ จะรู้ก็ต่อเมื่อได้ทุกอย่างที่คิดว่ต้องการแล้วยกเว้นความสงบแล้วจึงพบว่า น, นี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการบางคนมารู้ก็เมื่อได้ไปที่ที่สงบสงดัดถึงค่อยรู้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่ขาถ่ายไปจากชีวิตและจิตใจของฉันและต่อมาชื่อวันนับวันเนี่ย คนจะหยหาสิ่งนี้มากเพราะว่าประการที่หนึ่งเนี่ยอรอบตัวมันหาความสงบได้ยากมีเสียงดังซื่งกระทึกบางทีมันไม่ใช่แค่เสียงดังนะแต่มันเป็นสิ่งที่มากระตุ้นเราแล้วก็รบกวนจิตใจซึ่งเด๋ยวนี้เนี่ยมันตามติดเราไปตลอดเวลา แต่ก่อนเนี่ยออกไปข้างนอกวุ่นวายอ่ะกลับมาอยู่บ้านเสียงสงบเสียงที่รบกวนมันก็หายไปแต่เดือนนี้เนี่ยนะมันตามมาถึงแม้กระทั่งในห้องนอนนะมันตามมากับโทรศัพท์มือถือแม้กระทั่งไปวัดหรือเข้าป่าเนี่ย ห่างไกลจากสิ่งร่เราเย้ายวนจากโทรทัศน์จากเิกรืกอะทึกหรือว่าสิ่งยั่วยุรบ ก, กวนที่เราจะประสบพบเห็นในที่ทำงานแต่แม้กระทั่งในวัดนะในป่าหลายคนก็ยังพบกับสิ่งร่เราเย้ายวนเพราะว่า มันมากับคลื่นโทรศัพทนะ์ที่จริงแค่ปิดโทรศัพท์นะมันก็หมดปัญหาแต่คนเดี๋ยวนี้ก็ปิดโทรศัพท์ไม่เป็นละเปิดค้างยี่สิบสี่ชั่วโมงเดี๋ยวนี้การปิดโทรศัพท์มือถือต้องใช้ความกล้านะมันใจที่ไม่แข็งพอที่จะปิดโทรศัพท์นะ แต่นั่นเป็นแค่เหตุผลประการเดียวนะเพราะว่าถึงแม้จะปิดโทรศัพท์แล้วก็ตามถึงแม้จะไปอยู่ในที่ที่สงบสงดแต่ว่ามันก็ยังมีความไม่สงบอยู่ในจิตใจเพราะอะไรนะเพราะว่าใจมันยังคิดฟุ้งปรุงแต่งแม้แต่อยู่ในถ้านะที่สงบ อย่างถ้ำหลวงนี่นะต่อมาช่วงมันสงบมากเลยแหละจ่ก็ไม่ได้ใจคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยจะสงบแค่ไหนเพราะว่าใจมันคิดแต่ละพัทเออพอคิดถึงเรื่องที่น่ากลัวคิดถึงอนาคตที่อาจจะลงเอยอย่างเวลวร้ายทำจะปิดน้ำจะท่วมคนจะพบเราหรือไม่เนี่ย ไม่ต้องท่ามังนะแค่อยู่ในกุตติเงียบๆสงบสงบเนี่ยแต่ความไม่สงบก็เกิดขึ้นในใจได้ยากเพราะว่ามันคิดฟุ้งปรุงแต่งนะแล้วถ้าเช่นนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรนะก็ต้องอาศัยการรู้จักกำกับ หรือทำงานกับจิตใจของเราซึ่งเราก็เรียกว่าสมาธิภาวนาเรียกว่าการปฏิบัติธรรมให้การทำสมาธิภาวนาเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้จิตใจเราพบกับความสงบแต่ว่าจะทำอย่างไรนะ จะใช้สมาธิภาวนาแบบไหนที่ทำให้ใจสงบได้มันก็มีวิธีหนึ่งที่คนนิยมนะก็คือการตัดการรับรู้ตัดการรับรู้ไม่ว่ามันจะมาช่องทางไหนเริ่มตั้งแต่เก็บตัวอยู่ในห้องพระปิดประตูหน้าต่างเปิดแอ เสียงจากภายนอกจะได้ไม่มารบกวนถ้าไม่พอก็ปิดตาด้วยออกก่อนปิดตาก็ปิดโทรศัพท์มือถือก่อนนะแล้วก็ปิดตาแล้วก็ให้จิตเนี่ยมันมารับรู้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะได้ไม่ต้องไปออกไปรับรู้หรือปรุงแต่งเรื่องต่างๆ เพราะฉะนั้นหลัจากบีบตาแล้วก็จะให้จิตมากําหนดอยู่ที่ลมหายใจกําหนดอยู่ที่คําบริกรรมหรืออาศัยคําบริกรรมเป็นตัวผูกจิตมันจะได้ไม่ไปคิดฟุ้งกรุงแต่งมันจะได้ไม่ต้องไปรับรู้อารมณ์ที่เรียกว่าธรรมารมอารมณ์ในพุทธศาสนามันไม่ใช่มีแค่รูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัสนะความคิดนั่ก็ถือเป็นธรรมารมณ์ซึ่งถ้าจิตไปรับรู้ มันก็ไม่สงบนะมันก็กระเพื่อมเพราะฉะนั้นก็ไม่ให้จิตไปรับรู้ธ ร, รมอารมณ์ก็โดยการทำให้จิตเนี่ยไปอยู่กับอารมณ์ที่มันเป็นกลางกลางาเช่นลมหายใจท้องพองยุบหรือว่าไปกาหนดอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งในอวัยวะของร่างกายแล้วจิตก็สงบได้ ถ้าทำถ้าทาถูกทำเป็นก็สงบแต่ทำไม่เป็นมันก็กระสับกระส่ายนะหลายคนทำแล้วยิ่งกระสับกระส่ายข้าไปใหญ่แต่หลายคนทำแล้วเออมันก็สงบนะเกิดปิดติสงบแบบนี้ทำไมว่าสงบเพราะตัดการรับรู้หรือสงบเพราะไม่รู้ไม่รู้ทางตาไม่รู้ทางหูนะรวมทั้งไม่รู้ไม่รู้ทางใจด้วยเพราะว่าจิตเนี่ยมัน ถูกน้อมให้มาอยู่กับลมหายใจอยู่กับอารมณ์ที่เป็นกลางๆนะสงบเพราะไม่รู้หรือสงบเพราะตัดการรับรู้เนี่ยคือสิ่งที่หลายคนเนี่ยรู้จักแล้วก็บางทีก็นึกแค่อย่างเดียวนะว่ามันจะสงบได้เนี่ยเพราะต้องกัรตัดการรับรู้อันนี้คือที่วิธีที่หลายคนใช้นะถ้ามันบุ่นวายมากๆก็ ปิดประตูหน้าต่างหรือว่าไม่ต้องไปรับรู้อะไรมันก็สงบได้แต่จะให้ใช้ดีก็ต้องอปิดตาน้อมจิตมาที่ลมหายใจมันจะได้ไม่ไปรับรู้อะไรความสงบแบบนี้เนี่ยมันทำให้จิตเนี่ยได้พักแล้วก็มีกำลังแต่ปัญหาคือพอออกไปข้างนอกเจอผู้คนนะเจอเสียงรถเสียงรา เจอคนที่บ้านเจอเพื่อนร่วมงานเจอเจ้านายพอไปเจอไปรับรู้สิ่งต่างๆใจก็ไม่สงบเหมือนเดิมบางทีไม่ทันจ่อไปเจอใครนะแค่เปิดโทรศัพท์มือถือเนี่ยเห็นข้อความเห็นข่าวสารเนี่ยไม่สงบละนะข้อความมันกระทบตาเนี่ยนะ เกิดการรับโปรขึ้นมาใจกบเพิ่มเกิดความหงุดหงิดไม่พอใจนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คนจำนวนมากบางคนเนี่ยนะมาภาวนาอย่างพวกเราเนี่ยเชา้าแล้วก็บ่ายสงบมากเลยเพราะว่าไม่มีเสียงรบกวนทุกคนต่างก็ภาวนา ไม่มีใครมายุ่งกันไม่มีใครมาพูดอะไรให้ขัดหูขัดใจใจมันก็สงบแต่พอปนะิดคอสนะคอส่วันเดียวนะพอจะกลับบ้านเดินไปที่รถอยาจะกลับบ้านเพราะว่าเห็นรถเนี่ยตัวเองออกไม่ได้เพราะว่าข้างหน้าก็มีรถข้างหลังก็มีรถจอดอยู่แถมข้างข้างยังมีรถจอดซ้อนอีกโอ้ ไม่พอใจอย่างแรงโดยพ่อไคันที่มาจอดซ้อนเนี่ยถึงกับพรุษว่าดนะตะวาดสายเจ้าของรถซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้นะแต่ด่าไว้ก่อนนะเพราะว่ามันโกรธนะไม่มีมารยาทเลยเร็วซามมากไนอะคนที่เห็นเหตุการณ์ตะลึงเลยอะนี่เพิ่งปฏิบัติธรรมยกยกทาไมอ่อ สติแตกซะละเนีอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายคนนะที่มาปฏิบัติธรรมอะ่ะบางคนก็มาศึกษาตรรมาจะทราบว่าทำยังไงดีเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมมาหลายคอร์สนะนั่นก็ยังโกรธอยู่เนะบางคนก็บอกเนี่ก็ภาวนาพุทธโธนะเวลาออกจากเวลาทําแล้วก็อยู่กับพุทธโธอยู่กับพุทธโธนะแต่พอเจอคนมาตําหนิมาต่อว่าเนี่ย สติแตกเลยอัตมาบอกเอา้าแล้วทำไมไม่กลับอยู่พุโทโธลืมหมดเลยนะพุโทโธลืมหมดเลยมันจะไปลุมมันจะไปที่จะจะไปตกลมบอลไงคนที่มาว่าเนี่ยหรือคนที่ทําไม่ถูกใจอันนี้คือปัญหาของความสงบที่เกิดจากการไม่รับรู้หรือตัดการรับรู้นะคือพอ พอไม่รับรู้ก็สงบแต่พอไปรับรู้โดยพอ ร, รับรู้สิ่งที่เป็นอนิจฐารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจหรือเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจเหตุการณ์ที่ขัดใจเนี่ยสติแตกทันทีนีไม่สงบและรุ่มร้อนส่วนใหญ่เนี่ยนะเราลืมไปว่ามันมีความสงบอีกประเภทหนึ่งนะสงบที่เกิดจากการรู้หรือสงบทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ นะหมายความว่าทั้งๆ ท, ที่รู้ทางหูทางตาทางจมูกนะหรือไม่รู้ทางใจแต่ใจก็สงบได้นะอันนี้เป็นความสงบเพราะรู้นะคือไม่รับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายเนะี่ยแต่ว่ามันรู้มันรู้ด้วยใจมันรู้ด้วยมันรู้ทางใจหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาใจกระเพื่อมเนี่ยเพราะมีอะไรมากระทบเพราะมีสิ่ง เราเราย่อยวหรือยัวย่วยวก็ตามเนี่ยใจกับเพื่อนเนี่ยก็รู้ทันไม่ปรุงแต่งต่ อ, อส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ค่อยรู้จักนะความสงบชั้นอินเท่าไหร่แต่มันสำคัญมากเลยตัวอย่างของความสงบนะพอ ร, รู้เนี่ยนะอ่า ก็อยากยกตัวอย่างกรณีหลวงปูบงป่บุตรดาหลวงปู่บุตรดานเมื่อสากหกิปีที่แล้วเนี่ยนะท่านได้รับนิมนต์ให้มามาฉันเพนที่บ้านโยมคนหนึ่งที่กรุงเทพท่านฉันเพนเสร็จท่านก็จะกลับวัดสิงห์บุรีโยมก็เห็นว่าสิงวัดท่านไกลสิงห์บุรีตะกอนเนี่ยถือว่าไกลนะ ถนนก็ไม่ดีรถก็ไม่เร็วก็เห็นว่าท่านชราแล้วตอนนั้นท่านคง80ิแล้วละก็ให้ท่านพักอยู่ที่ขอให้ท่านจำวัดพักผ่อนก่นอนเจ้าภาพก็ให้ท่านพักอยู่ที่ห้องที่จัดไว้อย่างดีให้ท่านเอนหลังก็มีลูกศิษย์ลูกหาส4มสี่คนมานั่งเป็นเพื่อนเวลาลูกศิษย์ลูกหาจะพูดคุยแครก็กระซิบกบระซาบไม่อยากรบกวนหลวงปู่ แต่บังเอิญเนี่ยห้องหลวงปูเนี่ยมันไปติดอยู่กับร้านโชว์หวยร้านขายของชําเจ้าของเนี่ยเป็นอาซิมคนจีนสมัยก่อนก็สวมเกียร์นะมันไม่มีรองเท้าแตะรองเท้าฟองน้าอาตมาอยั ง, อยงทันเลยนะสวมเกียร์ตอนเด็กๆนั้นเวลาสวมเกียรเนี่ยเมื่อเดินเนี่ยมันก็จะดังเลยเพราะเวลาขึ้นบันไดบันไดไม้ก็จะดังเสียงก็ดังเข้ามาถึงในห้องที่หลวงปูเนี่ยกาลังเอนหลังอยู่ ลูกศิษก็ไม่พอใจก็มีคนหนงพูดข้นมาว่าเนี่ยเดินเสียงดังจังไม่เก่งใจกันเลยหลวงปู่ท่านได้ได้ยินนะท่านหลับตาแต่ท่านไม่ได้หลับด้วยท่านก็เลยเปรยขึ้นมาเบาๆเขาเดินของเขา อ, อยู่ดีๆเร า, เาหูดไปลองเกีย้ยวเขาเองนะเสียงเกีย้ยวไม่ใช่ปัญหานะเสียงเกีย้ยวไม่ได้ทําให้หงุดหงิดการที่อาหูดไปลองเกีย้ยวต่างหากทําให้หงุดหงิดนะ ไม่ชอบความงึนหิดแต่ทําไมนะจึงเอาหูวไปลองเกี้ยก็เพราะไม่รู้ไงไม่รู้ไม่รู้ตัวตอนนั้นเนี่ยใจไม่มีสติไม่มีสติก็เลยหูวก็เลยหาเรื่องนะไปหาเรื่องใส่ตัวหาเรื่องใส่ใจคือไปลองเกี้ยนะนี่ถ้าเกิดว่า ถ้าเขามีสตินะเขาก็จะรู้เลยนะว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยหูไปลองเกียล้วหรือว่าตอนนี้จิตเนี่ยมันไปจดจ่อที่เสียงเกีย้ยแล้วและจะรู้ด้วยว่าเมื่อมันมีอาการที่กับเพิ่มขึ้นมาในใจเกิดความยินร้ายขึ้นมาก็จะรู้ถ้ารู้ว่าหูไปลองเกี้ยนะมันก็จะดึงหูออกมาจากเกีย้ย แล้วเมื่อรู้ว่าจิตเนี่ยนะมันกระเพื่อมขึ้นมาเพราะความยินร้ายจากการเที่ยหัวไปรองเกี้ยเนี่ยพอรู้ทันขนาะดจิตมันก็จะสงบอาการกระเพื่อมก็จะหายไปความหงิดก็จะไม่เกิดขึ้นแต่นี่ไม่รู้นะไม่รู้ว่าหัวไปรองเกี้ยหนึ่งนะสองไม่รู้ว่าใจนี่กระเพื่อมใจนี่ยินร้ายใจนี่หงุดหงิดละ ถ้ารู้อย่างใดอย่างหนึ่งนะใจมันสงบได้เสียงเกีย้ยดังก็ดังไปแต่ใจสงบนี่เรียกว่าละสงบเพราะรู้หรือสงบทั้งทั้งที่รู้คือสงบทั้งๆ้งที่ทได้ยินเสียงเกีย้ยและสงบเพราะรู้ว่าใจเนี่ยนะมันไปไปเอาหัวไปรองเกีย้ยหรือใจมันก็เพื่อมแต่ส่วนใหญ่ไม่รู้เนี่ยไม่รู้ใจก็เลยไม่สงบแล้วก็ไปโทษว่าเป็นเพราะ เสียงเกียวเป็นเพราะอาซิ์คนนั้นแหละนะที่มารบกวนเรามารบกวนหลวงปู่เนี่ยถ้าเราเพียงแต่รู้นะรู้ว่าใจมันกระเพื่อมขึ้นมาเวลามีอะไรมากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือแม้แต่ทางใจเนี่ยนะ ความสงบมันก็เกิดขึ้นได้ไม่จะเป็นต้องไปตัดการรับรู้โดยการปิดตาปิดหูตาก็ยังได้เห็นหูก็ยังได้ยินนะแต่ว่ามันสงบเพราะรู้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะลองสังเกตดูเวลามีเสียงมากระทบหูเราเนี่ย ถ้าเป็นเสียงยิ่งเป็นเสียงที่เราไม่ชอบเนี่ยจิตเรายิ่งไปตรวจจ่อที่เสียงนั้นมันก็ทุกอยู่แล้วนะเพราะเป็นเสียงที่เราไม่ชอบแต่ดันไปตรวจจอ่อแต่จิตเราจิ้วไม่ได้ทำแค่นั้นจิตเราจะผลักใสนะจิตเราจะมีการต่อต้านมีการะทะเลาะกับเสียงนะั้นหรือต้นเสียงไมืว่าจะเป็นเสียงดังจากข้างนอกเสียงมอเตอร์ไซค์บนถนนหรือว่าเสียงโทรศัพท์มือถือในห้องเนี่ย จิตมันจะมีอาการต่อสู้หรือว่ามีความรู้สึกลบต่อเสียงนั้นตรงนี้แหละยิ่งทำให้ทุกข์มันไม่ใช่แค่ไปจดจ่อเท่านั้นแต่มันไปทะเลาะมันไปต่อต้าน น, ะนี่แหละคือเห็นความไม่สงบนะมีเรื่องราวสมัยที่หลวงพ่อชาเนี่ยท่านได้รับนิ ม, มนต์ไปแสดงธรรมที่ประเทศอังกฤษนะเมื่อ4จ่สุขปีที่แล้วเนี่ยเจา้าาก็ให้ท่าน และคณะมีหลวงพ่อหลวงพ่อสุมเมโทโธด้วยนะพักที่วิหารกลางกรุงลอนดอนชื่อวิหารแฮมสเตดตรงค่าวิหารเนี่ยมันเป็นมีผับมีบาร์ค่ำค่ำเย็ น, เ ย, นเย็นเนี่ยก็จะมีการร้องราทําเพลงเล่นดนตรีสมัยนั้นเพลงล็อกเนี่ยมันก็มาแล้วนะเสียงก็ดังเข้ามาจนถึงในวิหารซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่หลวงพ่อพาพารหรดนั่งสมาธิ ข่าวันหนึ่งเนี่ยเสียงก็ดังเข้ามาขณะธิ่พระ ก, กำลังและโยงกาลังนั่งสมาธิก็มีพระหลายรูปโยมหลายคนเนี่ยนั่งสมาธิไม่เป็นสุขเลยแต่หลวงพ่อช้าท่านนั่งนิ่งเหมือนกับไม่ได้ยินอะไรเลยพอนั่งสมาธิสี่สินาทีเสร็จเจ้าภาพก็มาหาท่านแล้วก็มาบอกว่าขอโทษหลวงพ่อที่เสียงดนตีนรบกวนการ น, นั่งสมาธิ หลวงพ่านยิมแล้วก็บอกว่าเนี่ยโยมาไปคิดว่าเสียงดนตรีรบกวนเราที่จริงเราต่างหากที่ไปรบกวนเสียงดนตรีเข้าใจไหมไอ้ที่ใจเราหงุดหงิดเนี่ยนะเพราะใจเราไปทะเลาะกับเสียงดนตรีทำไมเสียงดังจังวุ้ยร้องเพลงยังร้องผิดคีย์เล่นดนตรีไม่เป็นจังหวะสังกระบื้อเนี่ยนะว่าไปนะเนี่ยเรียกว่าเราไปทะเลาะกับเสียงก็คือใจเนี่ยนะไปตอลอรต่อเสียงกับเสียงนะนะั่นแหะ มันจึงเป็นเหตุให้ทุกข์เหตแห่งทุกข์เหตความหงุดหงิดไม่ได้อยู่ที่เสียงดนตรีแต่อยู่ที่ใจเราที่รู้สึกเป็นลบหรือมีปฏิกิริยาเป็นลบ ก, กับเสียงนั้นแต่เราไม่รู้ไงเป็นเพราะเราไม่รู้อะนะจึงหงุดหงิดแต่ถ้ารู้เนี่ยนะมันไม่หงุดหงิดนะจิตมันจะสงบไม่เช่าหลวงพ่อชามไม่ได้ยินนะท่านได้ยินนะฮะ แต่ใจท่านไม่เปทะเลาะกับเสียงนะดังก็ดังไปเสียงก็สักว่าเสียงใจท่านก็สงบได้ใจท่านรู้นะ ร, รู้ว่ารู้รู้ว่ามีเสียงดังแล้วก็รู้ว่าเวลาใจกระเพื่อมเนี่ยก็รู้ว่ามีแต่ก็ทำมันสงบสงบเพราะรู้ ใหญ่พวกเราเนี่ยมารู้จักนะกับการสงบเพราะรู้อย่ารู้จักแต่สงบเพราะไม่รู้หรือเพราะตัการรับรู้นะสงบเพราะรู้นี่สำคัญมากเลยหรือสงบ ท, งทั้งทั้งที่รู้เนี่ยเพราะว่ามันทำให้เราสามารถพบความสงบได้ทุกที่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยก็สังนัปพบความสงบได้ไม่ใช่พบที่ข้างนอกนะพบที่ข้างในพบที่ใจ เสียงดังก็ดังไปไม่ใช่แค่เสียงดังเท่านั้นนะอย่างอื่นด้วยแดดร้อนหรือแม้กระทั่งความปวดความเมื่อยที่เกิดขึ้นกับเราเวลาเรานั่งนานๆมันเกิดขึ้นก็จริงใจก็สงบได้นะเวลาเจ็บป่วยนะมันก็ป่วยแต่กายนะแต่ใจก็สงบอันนี้เรียกว่าสงบเพราะรู้รู้เนี่ยรู้ด้วยอะไรนะอย่างแรกคือรู้ด้วยสติรู้ด้วยสติ สติเนี่ยมันเหมือนตาในนะสติเีเหมือนตาในตาเนื้อเนี่ยนะมันช่วยทำให้เรารู้โลกภายนอกช่วยทำให้เราเนี่ยหนีจากอันตรายที่อยู่ข้างนอกทำให้อันตรายภายนอกไม่มาทำร้ายเราแต่ว่าอันตรายไม่ได้มีอยู่ข้างนอกนะอันตรายมีอยู่ที่ข้างในด้วยอันตรายที่อยู่ข้างในก็คืออารมณ์อารมณ์โกรธ นะหรืออย่างที่เราสวนเมื่อสักครู่เนี่ยความโศวความร่ำไ ร, รํำพันความไม่สบายใจความคับแค้นใจความเจ็บใจความอิจฉาความรู้สึกผิดนะพวกนี้มันคือคืออันตรายนะภายในนะซึ่งเราสามารถจะเลี่ยงได้โดยสายสติซึ่งเป็นเหมือนกับตาในที่ทำให้เห็นอารมณ์เหล่านี้ เมื่อเห็นก็รู้นะเห็นจึงรูนะ้หรือจะพูดอย่างคือรู้เพราะเห็นนะอันนี้มันต่างจากรู้ในทางโลกรู้นทางโลกเนี่ยเกิดจากการอ่านเกิดจากการฟังนะเรารู้อะไรต้องเยอะแยะเกี่ยวกับประเทศอเมริกาทั้งที่เราไม่เคยไปเลยเพรา ะ, ะนะอะไรเพราะเราอ่านเนะพราะเราฟังเรารู้เกี่ยวกับจักรวาลรู้เกี่ยวกับดวงจันทร์เกี่ยวกับ กาเล็กซี่ทางช้างเผือกแล้วก็เลยพ้นออกไปไม่ใช่เพราะเราเห็นไม่ได้เห็นแม้กระทั่งด้วยตาเนื้อแต่ว่าเราได้ฟังแต่รู้เนี่ยนะรู้ในทางธรรมเลยเพราะรู้ในเรื่องของใจเนี่ยมันเกิดจากการเห็นอะไรที่อะไรทําให้เห็นได้คือสตินะสติมาทําให้เห็นทําให้รู้ทัน แล้วเมื่อมันรู้ทันแล้วเนี่ยนะจิตมันก็จะวางมันก็จะมันก็จะวางสิ่งนั้นหรือถอนออกจากสิ่งนั้นเช่นทันทีที่รู้ว่าเอาหัวไปลองเกี้ยนะไอ้ตัวที่รู้นี่คือสตินะหัวไปลองเกี้ยแล้วพอสติมันรู้นะจิตมันก็จะถอนหัวออกมาจากการลองอยู่ใต้เกี้ยทันทีที่เราหงุดหงิดเมืม่อรู้ว่า ทันที่เรางุนหิดพอมีเสียงเมื่อทันทีที่เรางุนหิดเมื่อมีเสียงดังแล้วเรารู้ว่าจิตมันกำลังไปจดจ่อที่เสียงนั้นไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดคุยเสียงโทรศัพท์เสียงมอเตไซพอสติรู้นะมันก็จะจิตจิตมันก็จะถอนออกมาจากการจดจ่อเสียงเหล่านั้นหรือผู้อื่นคือจิตมันก็จะวางเมื่อรู้ว่าจิตกำลังโกรธนะกำลังงุดหงิดนะ ความหงุดหงิดก็จะหายไปเมื่อรู้ว่าโกรธรู้โดยสติความโกรธกันก็จะหายไปเพราะมันแพ้ทางกันอารมณ์พวกนี้เนี่ยนะมันจะเก่งกล้าค่ามันจะเก่งกล้าสามารถแค่ไหนเนี่ยแล้วมันเก่งจริงๆนะมันสามารถจะลอกให้เราหลงสามารถทำให้เราเสียผู้เสียคนเพราะหลงเชื่ออารมณ์เหล่านั้น นะมันสามารถที่จะคล อ, องจิตคลองใจเราได้นานๆโดยที่เราเนี่ยกลับกลายเป็นผู้พิทักษ์มันเรากลายเป็นผู้พิทักษ์ความกลัวเ้วกลายเป็นผู้พิทักษ์ความเศร้านะมันฉลาดมากเลยแต่ว่ามันแพ้มันมีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่งคือมันแพ้สติมันกลัวถูกรู้ถูกเห็นพอสติเข้าไปเห็นมันปุ๊บนี่นะมันฟอเลยนะ มันหายไปเลยคุณไม่ต้องไปไปกดข่มมันนะยิ่งกดข่มเนี่ยนะยิ่งไปให้กำลังกับมันไปกดข่มมันมันก็ลกลหลบพอเราเผลอมันก็ออกมาใหม่กดข่มมากเท่าไหร่ก็โอกาสจะปรีดแตกง่ายมากเท่านั้น เพราะว่ากดไปนานๆนานเนี่ยมันสะสมมากๆมันก็พร้อมจะระเบิดออกมาเป็นปริแตกนะลูกพูดไม่ถูกหูนิดเดียวนี่ปริใส่ลูกดังสนั่นเลยไม่ใช่เพราะลูกทำอะไรเร็วไลแต่เพราะไปกดความโกรธที่สะสมมาตั้งแต่ในที่ทำงานสองสาวันตลอดทั้งอาทิตย์กดเอาไว้กดเอาไว้นะพอพูดพอลูกไม่กินข้าวนั่นนะ ลูกไม่กินข้าวลูกไม่ยอมทำกันบ้านเนะ่ยปแตกใส่เลยเนี่ยถามว่าพ่ออะไรนะพ่อเก็บกดความโกรธเอาไว้แต่เราไม่ควรจะทำอย่างงั้ น, นะนเราพ่อมันมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะคือรู้ทันมันเห็นมันเคยมีคนถามหลวงปูด่ดูนนตุโลว่าหลวงปู่ทำไงจะตัดความโกรธให้ขาดได้หลวงปู่บอกไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอก มีแต่รู้ทันมันเมื่อรู้ทันมันก็ดับไปเองนะรู้นะรู้เนะี่อรู้ทันรู้ทันด้วยรู้ทันด้วยสติพอมีความโกรธก็เห็นความโกรธเ อ, อันนี้เรียวกว่ารู้แล้วสลวพอ่อท่านเขียนบอกว่าไงเห็นเนี่ยนะถ้าบอกสอนรู้สึิอยู่สมมอเห็นอย่าเข้าไปเป็นเห็นอย่าเข้าไปเป็นที่จริงแค่เห็นเนี่ยมันก็ไม่เข้าไปเป็นอยู่แล้วใจส่วนอยญ่เข้าไปเป็น พอความโกรธเกิดขึ้นปุ๊บเข้าไปเป็นเลยเป็นอะไรเป็นผู้โกรธความเศร้าเกิดขึ้นปุ๊บเข้าไปเลยเข้าไปเป็นเป็นผู้เศร้านะแต่ถ้าเห็นนะความเป็นผู้โกรธก็จะไม่มีความเป็นผู้เศร้าก็จะไม่มีหลวงพ่ออมเขียนพูดอยู่เสมอว่าเนี่ยเมื่อเห็นความทุกข์อ่าเห็นความทุกข์ก็ทําให้ไม่ทุกข์ เห็นความกลัว ก, ก็ทำให้ไม่โกรธนะเพราะอะไรเพ่าพอเหตุปุ๊บเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นความทุกข์หรือความกลัว ก, ก็ตามเนี่ยให้ผู้ทุกผู้โกรธ ก, ก็จะไม่มีถ้าเห็นทุกข์ก็ไม่เป็นทุกข์ถ้าเห็นโกรธก็ไม่เป็นผู้โกรธเมื่อไม่เป็นผู้โกรธเนี่ยมันก็ไม่มีใครทุกข์เมื่อไม่มีเมื่อไม่มีผู้เศร้าเนี่ยมันก็ไม่มีใครเศร้าไม่มีใครทุกข์ การเห็นเนี่ยสําคัญมากนะเวลาเราเวลาเราถูกอารมณ์ครอบงํานี่นะมันเหมือนกับเราอยู่ในกะลาเลยนะอกลับไปเาอยู่ในกะลานี่นะมันไม่เห็นอะไระมันไม่เห็นแม้กระทั่งตัวกะลาด้วยซ้ําเวลาเราถูกความโกรธครอบงำความเศร้าครอบงาเนี่ยเราก็ไม่เห็นอะไรเลยคือไม่เห็นแม้กระทั่งตัวอารมณ์นั้นแต่ ท, ทันทีที่มีสตินะ จิตมันจะออกมาจากกลาอารมณ์แล้วมันก็จะมาเห็นอารมณ์นั้นและอารมณ์นั้นก็จะไม่มีที่พลหรือทำอะไรกับมันได้เหมือนกับกองไฟถ้าเราอยู่ในกองไฟมันเจ็บมันปวดมากหรือมันแสบร้อนแต่พอเราจากกองไฟนั้นมาเห็นมันนะกองไฟมันจะกองใหญ่แค่ไหนเราก็ไม่ร้อนเราก็ไม่ทุกข์แล้วเพราะว่ามันมีระยะห่างระหว่างเรากองไฟการเห็นทําให้เกิดระยะห่างระหว่าง ใจกับอารมณ์ที่เป็นทุกข์นะเพราะฉะนั้นใจก็ไม่ทุกข์มันไม่มีเราเป็นผู้ทุกข์ด้วยซ้ำนะมันมีความโกรธแต่ไม่มีผู้โกรธแล้วเนี่ยคือสิ่งที่ช่วยทำให้ใจสงบได้นะเห็นนะรู้ทันให้การจุดรสติเนี่มันจะช่วยทาให้เราเนี่ยได้เข้าใจนะ ว่าเห็นเนี่ยมันคืออะไรทั้งชีวิตเนี่ยก่อนปฏิบัติเนี่ยมันมีแต่เข้าไปเป็นปนตลอดนะแต่ต่อมาเนี่ยมีสติมันเห็นแล้วเห็นความโกรธแต่ก่อนมันเป็นสำคัญว่าเราโกรธเราโกรธตอนนี้ไม่ใช่ลวไม่ใช่เราโกรธมันแค่มีความโกรธอยู่ในใจนะแต่ก่อนเศร้าเราเศร้านะแต่ตอนนี้ไม่ละมันรู้มันเห็นความเศร้าแต่ไม่ใช่เราเศร้า ปวดนะปวดปวดเราปวดเราปวดกูปวดเลอกเกินนะเมื่อยนะแต่พอมีสติเห็นมันนะเห็นเวทนานี้เราเห็นเวทนามันก็จะเอ่อมันก็จะไม่มีผู้ปวดผู้เมื่อยละมันจะเห็นเลยว่าความปวดความเมื่อยมันเกิดขึ้นกับกายเกิดขึ้นกับขาแต่ไม่ใช่เราปวดเราเมื่อยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้ใจนี้ไม่ถูกนะ มันมีแต่ความทุกข์ที่กายนะแต่ใจไม่ทุกการเห็นหรือรู้เนี่ยสำคัญมากนะมันไปด้วยกันนะเห็นกับรู้เนี่ยและการรู้เนี่ยนะถ้าเรารู้ทุกข์เนี่ยนะมันก็จะไม่เป็นทุกข์เหมือนกันแต่ที่ผ่านมาเนี่ยทุกเกิดขึ้นทีไรเราเป็นทุกข์ทุกครั้งเพราะเราไม่เห็นมันเพราะเราไม่รู้มัน สมัยพุทธคอลศาสตร์องค์ปัจจุบันทขาบอกว่าเราไม่มีหน้าที่ทุกนะเรามีหน้าที่รู้ทุกข์นะทุกข์ไม่ได้มีไว้เป็นนะทุกข์มีไว้เห็นนะที่เราเดือดร้อนกับความทุกข์มากเลยนะเพราะเราเข้าไปเป็นทุกข์แต่ว่าเราไม่รู้จักเห็นเมื่อไม่เห็นทุกข์เราก็ไม่รู้ทุกข์ เวลามีทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยเรามีทางเลือกสองอย่างเราจะเป็นทุกข์หรือรู้ทุกข์คุณเลือกได้นะว่าคุณจะเป็นทุกข์หรือคุณจะรู้ทุกข์แล้วถ้าคุณเลือกที่จะรู้ทุกข์คุณต้องมีสติเป็นเบื้องต้นเลยนะเพราะถ้าไม่มีสติปุ๊บนี่เป็นทุกข์เลยคำว่าทุกข์กับเป็นทุกข์นี่ต่างกันนะทุกข์เนี่ยหลีกไม่พ้นนะพุทธเจ้าเนี่ยก็เจอทุกข์เหมือนกันโดยเพราะแก่เจ็บนะป่วย แต่พระองคไม่เป็นทุกข์ทุกข์เนี่ยกับเป็นทุกข์นี่ต่างกันเป็นทุกข์กับรู้ทุกข์นี่ก็ต่างกันเป็นทุกข์แต่อ่ามีทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์ก็เพราะอะไรเพราะรู้ทุกข์นะรู้อย่างแรกคือรู้โดยสตินะเพราะฉะนั้นโกรธเจ็บปวดอ่ะมันก็สักแต่ว่าเกิดที่ทนที่ใจแต่ว่าไม่มีเราโกรธ ปวดมันก็สักรวปวดที่กายแต่ไม่มีเราปวดนี่พอเห็นนะพอรู้และรู้เนี่ยนะ <c oughs> มันจะเป็นการรู้แบบรู้ซื่อๆนะจะเป็นการรู้แบบรู้ซื่อๆนะคำว่ารู้ซื่อๆเนี่ยที่หลวงพ่อมังคีหลวงพ่อเทียนนะพูดบ่อยๆเนี่ยมันก็คือความหมายเดียวกันเห็นแต่ไม่ค่อยปเป็น เพาถ้ารู้ไม่ซื่อเมื่อไหร่เนี่ยหรือถ้าไม่รู้ซื่อซือเมื่อไหร่มันก็้าไปเป็น เ, นเลยนะเช่นพอรู้ว่าโกรธเนี่ยมันไปผลักใส่ความโกรธทันทีที่คุณรู้ว่าโกรธแล้วไปผลักใส่ความโกรธนะคุณก็เป็นผู้โกรธทันทีเลยหลายคนบอกว่าทำไมรู้ว่าโกรธทำไมยังโกรธอยู่หลายคนไม่อยาถามเนี่ยก็รู้ว่าโกรธทำไมยังโกรธอยู่เนี่ยอธิบายได้สองอย่างอันที่หนึ่งก็คือว่าเพราะว่า สติเรายังอ่อนนะแต่ความโกรธมันแรงเหมือนกับน้ําน้อยยอมแพ้ไฟไฟมันกองใหญ่คุณเอาปืนฉีดน้ําฉีดไปนะไฟก็แค่ฟูสักพักแล้วมันก็พุ่งขึ้นมาใหม่คุณจะปืนฉีดน้ําฉีดไม่ได้คุณต้องเอาน้ําทั้งขันเลยหรือน้ําทั้งถังเลยสาดเข้าไปใช่ไหมแต่ถ้าเสร็จสติคุณมันมันอ่อนเหมือนกับน้ําจากปืนฉีดน้ําเนี่ยมันก็ดับกองไฟไม่ได้มันต้องใช้น้ําทั้งทั้ง ังถังเลยนะสาดเข้าไปเพราะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยสติอ่อนเพราะนั้นเนี่ยมันก็ยังโกรธอยู่หรืออีเหตุผลก็คือว่ามันไม่ใช่เป็นสติที่บริสุทธิ์เหมือนกับคุณจะเอาน้ําเนี่ยนะสาลงไปในกองไฟแต่น้ํามันมันดังมีน้ํามันเนี่ยถ้าน้ําในถังมีน้ํามันนะสาลงไปนะมันไม่ดับหรอกมันก็ลุกขึ้นมาใหม่เพราะมันมีน้ํามัน เป็นเชื้อสติเนี่ยถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นสติเบื้องสุดเขาไม่ได้รู้ซื่อๆนะมันมีความรู้สึกมันรู้สึกมีความรู้สึกลบเจือปนอยู่ในในขณะที่รู้ความโกรธนะคือรู้ว่าโกรธแต่ว่ามันมีความรู้สึกลบต่อความโกรธมันอยากจะผักใสความโกรธมันอยากจะกดข่มความโกรธไอ้ตรงนี้แหละนะที่มันทําให้ความโกรธยังอยู่ต่อไป เพราะธรรมชาติของอารมณ์ทุกชนิดเนี่ยอารมณ์นั้งความโกรธเนี่ยนะมันมีคนเขาสรบไป้ดีวบอกว่าอะไรที่ผลักสายจะคงอยู่อะไรที่ตระหนักรู้จะหายไปถ้าคุณผลักสายความโกรธนะความโกรธมันก็จะอยู่ถ้าคุณกดคงความความเศร้าวความเศร้ามันก็จะยิ่งยืนยงคุณมีความรู้สึกผิดคุณอยากจะกดคุณอยากจะลอ ม, มันคุณยิ่งลือ ม, มันไม่ได้ อะไรที่คุณอยากจะลืมนะพอคุณอยากตั้งใจจะลืมนะคุณไม่มีทางลืมมันได้นะไอ้ที่คุณลืมได้เพราะคุณไม่อยากลืมแต่ถ้าคุณตั้งใจลืมคุณลืมไม่ได้โดยเพราะความรู้สึกผิดนะที่เคยมีต่อผู้มี่นหรพระคุณอะไต่างๆหลายคณพยายามกดข่มเอาไว้เวลาเรารู้ว่าโกรธใช่ไหมแต่ว่ามันมีความรู้สึกไม่เป็นกลางต่อความโกรธมันมีความรู้สึกลบต่อความโกรธเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละที่เป็นน้ํามันที่ทําให้ความโกรธยังอยู่ นั่นคือบอกทำไมบอกว่าลาวครบอกทไมร่วโกรธแล้วยังโกรธอยู่เพราะคุณไม่ได้รู้ซื่อๆนะคุณไม่ได้รู้ว่าโกรธแบบซื่อๆนะมันมีความสึกลบมีการสึกผักใสรู้ซื่อๆคือว่ารู้เฉยๆไม่ผักใส่แล้วก็ไม่ไขว่คว้าอะไรที่เป็นลบก็ไม่ผักใส่อะไรที่เป็นบวกก็ไม่ไขว่คว้านะซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากนะเพราะว่าธรรมชาติคนเราเนี่ย มันจะมีความรู้สึกลบมันจะมีปฏิกิริยาต่อทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นความสุขก็อยากจะครอบครองให้นานๆเช่นความสงบความปิติถ้าเป็นความกลวบความเศร้าก็อยากจะผลักไสความงุนงิ่ก็อยากจะผลักไสเหมือนกับเวลาเราได้ยินเสียงเนี่ยอ่าถ้าเป็นเสียงเพลงเราก็พอใจถ้าเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์เราก็ไม่พอใจยิน เราจะมีความรู้สึกลบและบวกลบหรือบวกต่อต่อสิ่งที่มากระทบต่ออารมณ์ต่างๆไม่ว่าอารมณ์ภายนอกหรืออารมณ์ภายใ น, นะนนั่นนั่นแหละคือแห่งทุกเสียงไม่ได้ทำให้เราทุกนะแต่ความรู้สึกลบต่อเสียงเนี่ยมันทําให้เราทุกในทรรมจการความโกรธเนี่ยนะความโกรธเนี่ยไม่ได้ไม่ได้รบกวนเรามากเท่ากับว่าเรารู้สึกลบกับมันหรือเปล่าถ้ารู้สึกลบกับมันเนี่ยเราทุกเลยนะ แต่ถ้าเราเราเราเราไม่รู้สึกลบกับมันเรารู้สึกเป็นกลางกงกับมันนะก็คือรู้สู้ๆเนี่ยนะมันก็จะค่อยสงบลงแล้วก็ไม่มารกกบกวนรังควาเรานะการรู้สื่อๆเนี่ยสำคัญมากนะฮะซึ่งจะทำยี่ได้ต้องอาศัยสติมากเลยเนะพราะสติเนี่ยนะมันทำให้เราเนี่ยเห็นอย่างที่บอกแล้วไม่ข้อเพยเป็นมันทำให้เห็นอ่ามันทำให้เห็นด้วย ความรู้สึกที่เป็นกลางมันทําให้เรารับรู้ด้วยความรู้สึกที่เป็นกลางนะภาษาฝรั่งนี่เขาแปลว่า b a r attention attention คือความจดความใส่ใจหรือความรับรู้ b a r แปลว่าเฉยๆรู้เฉยๆรู้สึกมันก็ตรงคําว่ารู้ซื่อๆนะให้เข้าใจดีๆนะว่าว่าว่ า, วาความวารู้ซื่อๆเนี่ยมันคือความรู้เฉยๆโดยที่ ไม่ไม่ไปทำอะไรกับอารมณ์นั้นแต่ปกติพวกเราเป็นนักปฏิบัติธรรมนะเราจะมีความรู้สึกลบต่ออารมณ์บางอย่างที่เป็นอกุศลไอ้ก่อนไม่ก่อ น, ก, อนก่อนจะปฏิบัติธรรมก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ีดดดเร้อเลยมากกับความกลัวความงุดเงียแต่พอปฏิบัติธรรมไอความกลั ว, ค ว, ลวความงุดเงิยนี้เราจะเราจะซีเร้รกับมันม า, มากเราจะไม่ชอบไม่อยากมันเกิดขึ้น ความโลภเราก็ไม่ชอบความอิจฉายิ่งไม่ดีเข้าไปใหญ่ปฏิบัติทําแล้วติตฉาเขาได้ยังไงจิปฏิบัติทําแล้วจะโลภได้ยังไงมันมีต้องกดมันเอาไว้การที่เราไม่ยอมรับว่ามันมีเนี่ยนะการที่เราไม่อยากให้มันมีเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกลภแต่ถ้าเราลองมองมันรับรู้มันด้วยใจที่เป็นกลางเห็นมันอย่างที่มันเป็นจริงเนี่ยมันจะหมดพิษสงลงอะไรที่ผลักสายจะคงอยู่อะไรที่ตระหนักรู้จะหายไป นั่นความหมายหนึ่งของรู้สื่อๆนะที่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยคือรู้โดยไม่ผักสายไม่ไขว่คว้ารู้โดยที่ไม่รสึกลบกับมันรู้อีความหมายหนึ่งนะรู้สื่อๆความหมายหนึ่งคือการรู้โดยไม่ให้ค่ากับมัน ค, คล้ายๆกันคนเราทุกเพราะเราไปให้ค่ากับสิ่งต่างๆเวลาเราเห็นเวลาเราเห็นเอ่อเห็นดอกไม้เนี่ยเราให้ค่าว่ามันดีเวลาเห็นเพชรนินๆๆเพชรนินจินดาร้อยให้ค่ า, ามันดีเราก็เคยมีความสุขที่เห็นมัน แต่เราเลี้ยงขีหมาเนี่ยเป็นไงเราสึกเป็นทุกข์เพราะเราให้ค่ากับมันว่ามันเป็นสิ่งที่ปฏิกรูนเป็นสิ่งที่ไม่ดนะีมนุษย์เราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะการให้ค่ากับสิ่งต่างๆเราไม่ได้รับรู้มันตามที่เป็นจริงมันมีคําพูดว่ารับรู้ตามความเป็นจริง หรือว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินนะคว่ารับรู้เนี่ยคือรับรู้ทางตาทางหูก็ตาเนี่ยคือเห็นเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินนะอันนี้คือรับรู้อารมณ์ภายนอกนเมื่อกี้ธรรมาพูดอารมณ์ภายในคือความโกรธความเศร้าแต่แม้กระทั่งอารมณ์ภายนอกก็เหมือนกันเห็นนะเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยิน แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราไปให้ค่าเสียงมอเตอร์ไซค์ไม่ดีเราเลยทุกเราทุกไม่ได้เพราะเสียงมอเตอร์ไซค์ทุกเพราะเราให้ค่ามันไม่ดีเสียงสวดมนเป็นเสียงดีเราฟังแล้วมีความสุขบางครั้งเนี่ยเพียงแต่เราความทุกเนี่ยบางทีมันเปลี่ยนไปได้ง่ายมากเพียงแค่เราเปลี่ยนการให้ค่าสมัยหรือเปลี่ยนมุน ม, มมองสมัย เพื่อตะมาเล่าว่านะเธอเป็นผู้หญิงนะมีลูกสองคนวันหนึ่งเนี่ยขี่รถนะขับรถไปทางก็ไกลนะก็มีลูกชายสองคนนะสิบขวบกับสิบสองสิบสามเนี่ยกำลังสนเลยนะอยู่หลังรถขับรถเนี่ยนะเด็กสองคนก็เล่นกันหลอกย อ, กยอกลอกล้อกันแล้วก็เล่นแรงขึ้นแรงขึ้นเสียงก็ดัง นะเสียงดังบางทีก็มิกมิคคิกคักบางทีก็มีเสียงว่ากันแม่ลำคาญมากเลยหันหลังไปบอกลูกว่าหยุดเล่นสักทีเสียงดังเหลือเกินรบกวนนะเด็กก็เงียบเลยนะเชื่อฟังแม่สักพักเนี่ยลูกคนแรกก็โผล่หน้ามาหาแม่เนะี่ยแล้วก็มาหอมแก้มแม่แล้วบอกว่าแม่ลองมองว่า ไอ้เสียงเนี่ยนะมันเป็นเสียงแห่งความสุขของลูกสิน้องเมวว้ามันมันเป็นเสียงความสุขของลูกด้วถ้าเธอได้คิดเลยนะพอเธอพอเธอลองมองรับรู้เสียงนั้นเนี่ยอย่างที่ลูกบอกนะมันคือเสียงความสุขของลูกนะไอ้เสียงคิกคักคิกคัต่างต่างเนี่ยมันไม่รบกวนมันไม่รบกวนเธอแล้วเสียงยังดังเหมือนเดิมนะแต่พอเธอมองมัน ไม่ชอบว่าไม่ใช่เป็นเสียงรบกวนแต่เป็นเสียงความสุขของลูกเนี่ยทุกไหมไม่ทุกแล้วเธอเปลี่ยนจากการให้ค่าจากลบเป็นบวกนะมันไม่ใช่เสียงรบกวนไม่ใช่เสียงรบกวนเราแต่มันเป็นเสียงความสุขของลูกเนี่ยการให้ค่าของคนเราเนี่ยนะมันมันมันมีผลต่อความทุกความสุขและความทุกของเราแต่ว่ารู้สื่อเนี่ยคือมันไม่ใช่ให้ค่าลบและบวกนะมันมัน มันแค่สักแต่ว่าเห็นนะและตรงนี้เนี่ยมันทำให้ใจน้สงบได้มันไม่ใช่แค่สงบอย่างเดียวนะมันเป็นหนทางของการเกิดปัญญาจนเห็นความจริงพูนะพุทธเจ้าเนี่ยนะได้เคยตรัสกับพระท่านพาหิยะท่านพาหิญนี่ยนะได้อยู่กิติศัพด์ว่ามีพระอรหันต์อ ย, อยู่ที่สาวัตถี โอเดินเท้ามาเรียกว่าสองร้ยรโยชน์นะสองร้อโยชน์มันเยอะมากนะซึ่งที่จริงอาจจะคงไม่ถึงอะ่ะเดินกันทั้งวันทั้งคืนมาถึงเห็นพู้เจ้ากำลังจะบินธบากก็รีบไปให้รีบไปขอยพระองค์แสดงธรรมพู้เจ้าก็ปฏิเสธพัยะก็บอกว่าได้โปรดแสดงธรรมเถิดเพราะว่าไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่พยะเนี่ย ขอถึง3าครั้งพวทองค์ก็ปฏิเสธสามครั้งแต่หลังจากที่ปฏิเสธครั้งที่3เนี่ยพระองคงเห็นว่าพยาามเนี่ยนะตอนนี้เริ่มสงบลงละใจเริ่มสงบแล้วเมื่อกี้นี่ยังมีไฟแรงตอนนี้ใจเริ่มสงบและพระอง์ก็เลยแสดงธรรมสั้นๆเนี่ยเมื่อเห็นสักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเมื่อรับรู้สักแต่ว่ารับรู้นะเมืม่อรับรู้อารมณ์ก็สักแต่ว่ารับรู้อารมณ์ เมื่อ น, นั้นตัวเธอจะไม่มีทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าและระหว่างโลกทั้งสองนั่นแหละเป็นทางแห่งความดักทุกข์ท่านพยะยฟังนี่ท่านพิจารณาตามบรรุธรรมเลยนะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตั้งใจจะขอบวชกับพระเุทธเจ้ารีบไปหาบาปไปหาจีวรมาแต่ว่าเดินไปมไม่ทลายโดนวัวขิดตาย โอที่ท่านพูดว่านี้่อยากจะฟังทำเดี๋ยวนี้เลยนะเพราะไม่รู้จะตายเมื่อไหร่นี่โอ้มันมันจริงมากเลยนะแต่ว่าสิ่งสาคัญเนี่ยที่อยาก่าพูดตรงนี้คือคําสอนผู้จารย์ที่บอกเนี่ยเมื่อเห็นศักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินสักแต่ว่าได้ยินนะเมื่อรู้สักแต่ว่ารู้เนี่ยอันเนี่ยมันเป็นท่านบอกว่าเนี่ยมันเป็นทําให้ตัวตนเนี่ยสลายไปเมื่อนั้นไม่มี ตัวเธอจะไม่มีทั้งในโลกนี้และในโลกนั้นและระหว่างโลกทั้งสองเมื่อ น, นั้นเป็นเมื่อ น, นั้นแหละเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ให้การเห็นสักแต่ว่าเห็นหรือว่าการรับรู้เฉยๆรับรู้อย่างที่มันเป็นเนี่ยสำคัญมากและการที่เราจะรับรู้อย่างที่มันเป็นได้เนี่ยก็ต้องอาศัยสติเพราะสติเนี่ยมันทําให้เห็นตามความเป็นจริงสติทําให้เห็นโดยปราศจากอคติไม่ว่าจะเป็นฉันทาคติหรือว่าโทสาคติ แล้วถ้าเราสติเนี่ยมาดูกายดูใจเนี่ยนะมาดูกายบ่อยๆเนี่ยดูใจดูกายบ่อยๆเนี่ยมันจะเห็นความจริงว่ากายไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราถ้าเราเดินเนี่ยมีสติเราก็จะเห็นว่าที่เดินเนี่ยมันคือรูปเดินไม่ใช่เราเดินนะถ้าเรามีสติเมื่อมันมีความคิดความกรวดเกิดขึ้นเราก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่เราคิดมันไม่ใช่เราโปรธ ม, มันแค่มีความคิดเกิดขึ้นที่ใจมีความกลัวเกิดขึ้นที่ใจไม่ใช่เรามันจะถอนความมันจะถอนตัวกูหรือตัวตนนี้ออกไปนะจากกายและใจเคยยืดว่ากายเป็นเราเคยยึดว่าใจเป็นเราเนี่ยตอนนี้มันมันไม่ใช่แล้วมันมีแต่กายกับใจนะแต่ว่าไม่มีไม่มีเราไม่ใช่เราเดินแต่กายเดินหรือรูปเดินไม่ใช่เรานั่งแต่เป็นกายนั่งหรือรูปนั่งสติที่แรกเนี่ยมันทาให้สงบนะ เพราะว่ามันทําให้อารมณ์ที่เคยรบกวนจิตใจสงบลงไปไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเศร้าแม้จะไม่สงบนะแต่ว่าใจสงบเช่นความปวดยังมีอยู่กายปวดแต่ใจไม่ปวดเนี่ยกายใจสงบนะแม้กายจะปวดนะความสงบเนี่ยมันเกิดจากการรู้ด้วยสติแต่สติมันไม่ช่วยทำมันไม่เพียงแต่ช่วยทําให้รู้มันไม่เพียงแต่ช่วยทําให้สงบแต่มันช่วยทําให้รู้ความจริง ของกายและใจมันจะไม่ใช่แค่รู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นนะสิ่งที่สำคัญไปกว่า น, นั้นคือรู้ความจริงของกายและใจว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วก็รู้แม้กระทั่งว่ากายนี่มันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจิตก็เหมือนกันก็คือรู้ไตรักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้ามีสติแล้วก็เจริญสติอยู่เสมอเนี่ยมันไม่ใช่แค่สงบ นะแต่ว่ามันจะเกิดความสว่างด้วยมันไม่ใช่แค่เกิดภาวะที่เราสมัตนะแต่ว่ามันเกิดอ่ามันกลายเป็นวิปัสสนาด้วยนะเพราะว่ามันทำให้เห็นความจริงเห็นสัจธรรมความจริงซึ่งก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะคือรู้ความจริงรู้สัจธรรมการรู้สัจธรรมเนี่ยนะ มันช่วยทําให้เกิดความสงบที่ลึกซึ้งมากขึ้นแต่ก่อนสงบเนี่ยเพราะรู้นะคือรู้ด้วยสติใช่ไหมไม่เคย อ, อธิบายแต่ต่อไปมันจะสงบเพราะรู้ด้วยปัญญาปัญญาที่นี่คือการเห็นความจริงว่าทยกตัอย่างเช่นมันไม่มีเรามันมีแต่รูป ก, กับนามความเจ็บปวดของกายมันเป็นเรื่องของกายไม่ใช่ไม่ใช่เราปวดมันจะเห็นความจริงเรื่อง อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสงบอย่างแท้จริงเวลาถูกต่อว่าด่าทอนะคนที่ไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับโลกธรรมเนี่ยมันก็จะทุกข์มากเลยแต่พอรู้มันเป็นธรรมดานะมันเป็นธรรมดาโลกใจมันก็ไม่ทุกข์ละเพราะเห็นความจริงหรือว่าเจ็บป่วยหรือว่าแก่นะคนที่คนที่ เจ็บป่วยก็ทุกข์มากนะแต่พอเขาเห็นความจริงว่าเออมันเป็นธรรมดาของสังขารนะสังขารคือกองทุกข์นะความเจ็บป่วยก็เป็นเรื่องของกายแต่ใจไม่ทุกข์ความแก่ก็เหมือนกันนะตอนที่ยังไปยึดมั่นในร่างกายนี้ว่ามันต้องหนุ่มต้องสาวต้องสวยมันเลยทุกขนะ์เนี่ยเมื่อร่างกายมันแก่แต่พอเห็นความจริงแบบเนี้นะมันไม่ทุกข์ลว พอร่วมเป็นธรรมดาไอ้ความความสึกทุกเนี่ยนะทุกเพราะแก่ทุกเพราะป่วยเนี่ยมันก็ทําให้ใจไม่สงบนะแต่พอเห็นความจริงว่ามันเป็นเช่นนั้นเองกายยังทุกอยู่นะเพราะป่วยเนี่ยแต่ใจไม่ทุรัใจสงบนะงั้นความสงบเนี่ยสามารถเกิดขึ้นกับใจเราได้แม้ จะมีความทุกข์เกิดขึ้นอย่าไปคิดว่าต้องไม่ทุกข์นะถึงจะสงบแต่เรายังเรายังสามารถที่จะพบกับความสงบที่ใจได้แม้จะมีความทุกข์เกิดขึ้นกับร่างกายของเรากับทรัพย์สมบัติของเราเมื่อปี54เนี่ยมันมีน้ำท่วมใหญ่นะอันนี้เราทราบดีก็มีหลายคน หลายพันหลายหลายหมื่นหรือเป็นหลายแสนเนี่ยสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะว่าสูญเสียทรัพย์สมบัติไปกับสายน้ำบางคนเสียทรัพย์ไม่พอนะเสียสติเสียจริตจนฆ่าตัวตายแต่ก็มีหลายคนเขาไม่ทุกนะมีพี่อื่คนนี้บอกว่าเนี่ยน้ำท่วมขานนี่มันก็สอนให้เราเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงทุกอย่างเนี่ย มันอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวไม่ช้าก็เริอมมันก็ไปถ้าไม่ถูกไฟไม่ถูกน้ําพัดไปก็ถกมีคนขมโมยไปเธอสูญท ร, รัพย์แต่ใจเธอสงบนะเพราะเธอเห็นความจริงเธอรู้ความจริงว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยนี่ก็เป็นการรู้แบบซื่อๆนะคือรู้ว่าท ร, รัพย์สมบัติเนี่ยสูญสลายหายไปแล้วแต่ว่าใจไม่ทุก เพราะมันเป็นความรู้แบบรู้ตามความจริงเป็นจริงโดยที่ไม่ได้รู้แบบปรุงแต่งว่านี่ของกูของกูการรู้ที่มันการรู้ที่ไม่ซื่ อ, อๆคือการรู้ที่มันเจอด้วยกิเลสหรือเจอด้วยความหลงผิดว่าของเราของเราของเราส่วนใหญ่เนี่ยนะเราไม่ได้รู้ซื่อๆนะเวลาเราเห็นรถเนี่ยเราก็ก็ไปสาคัญมากว่ารถของเรารถของเรา อันนี้มันเป็นการรู้แบบรู้ไม่ซื่อมันมีการปรุงแต่งนะแล้วปรุงแต่งขั้นพื้นฐานคือปรุงแต่งว่าของเราของเราของเราหรือของกูของกูแต่พอรู้ซื่อๆรู้ว่าเออรถนะมันก็รถนะมันไม่มีของกูเข้าไปเข้าไปเติมแต่งมันก็ไม่ทูกละเวลารถมันมีอันเป็นไปเน่ว่าแต่รถเลยแม้กทั่งร่างกายก็เหมือนกันนะนะมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ย ชื่อดำริเป็นช่างไฟยังงุ่มอยู่เลยเพราะว่าเคราะหามยำลายน ะ, ะสายไฟแรงสูงม ไ, ไปถูกที่ต้นขาต้องตัดขาทั้งสองข้างทิ้งที่การตลอดชีวิตไม่นานนะพราว่าภรรยาก็ทิ้งเขาไปโอ้ลองคิดดูนะเนี่ยเสียขาเสียภรรยานในเวลาไม่นานจะทุกข์แค่ไหนแต่ว่าดเริเขาไม่ ไม่มีความรู้สึกแบบนั้นมีคนถามเพราะว่าเนี่ยคุณรู้สึกยังไงที่ภรรยาทิ้งคุณไปจะ ต, ตอบว่าผมไม่รู้สึกอะไรเลยคุณคิดดูซิแม้กระทั่งขาสองข้างมันยังไม่อยู่กับผมเลยแล้วจะใหเมียอยู่กับผมได้ยังไงนะแกไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะแกเห็นสัจธรรมจากการเสียขาโอ้ขานี่ไม่ใช่เขาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราขานี่มันอยู่กับเรามาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่นะวันนี้คืนนี้มันก็ทิ้งเราไป แล้วถ้ามันจะทิ้งก็ต้องยอมให้มันไปนะเพราะถ้าไม่ไปนะยังเก็บขาไว้นะตายนะฮะไอ้มันเลือกเข้าสู่กระแสโลหิตไอ้พิกเข้าสู่กระแสโลหิตตายต้องตัดถึงจะรอดโอขนาดข้ายังไม่ใช่ของเราเลยขนาดขายังทิ้งเราไปนะแล้วนะมีซึ่งมาทีหลังเนี่ยนะแต่ทิ้งไปก็เรื่องก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคือเนี่ยคือถ้าเราคือยังไม่ต้องเป็นพรนะอรหันต์เพียงแค่เรารู้ว่าเออขานี่ไม่ใช่ของเราเนี่ยนะ มันก็ทําให้เวลาสูญเสียขาไปมันก็ไม่ทุกก็คือสงบอยู่ได้ใจสงบได้ไอนะการที่รู้โดยที่ไม่ไปเติมแต่งว่าเป็นของเราของเราของเราเนี่ยนะมันก็เป็นรู้ซื่อๆแบบหนึ่งนะซึ่งธรรมชื่อสําคัญมากแล้วมันก็ไปโยงกับเรื่องของว่าสงบเพราะรู้นะสงบเพราะรู้คื อ, อติล่าธรรมะว่าสงบเพราะรู้ด้วยสติ มีอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็รู้เมื่อรู้แล้วมันก็วางนะเวลามีความหงุนหงิดพอผักใสพอรู้ว่าจิตมันผักใส่จิตมันกลับมาเป็นปกติอสงบแล้วลดติดจิตไม่ตกน ะ, ะเสียงดังใจก็สงบได้นี่เพราะว่ามีสติรู้รู้อย่างที่สองคือรู้ด้วยปัญญาคือเห็นความจริงโดยไม่ปรุงแต่งโดยเพราะไปยึดมันสําคัญหมาเป็นเราเป็นของเราไม่ไปยึดว่าเป็น เป็นตัวเป็นตนรู้ความจริงของกายและใจว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหลวงพ่อคำเขียนท่านแชรว่าสติเนี่ยมันเป็นตัวถลุงนะทำให้แต่ก่อนเนี้เราเห็นอะไรเนี่ยเราทําอะไรเนี่ยมันก็เห็นเราเป็นตุ้นเป็นก้อนคือเป็นกูเป็นกูเป็นกูแต่สติมทาให้เห็นความจริงว่ามันไม่มีกูมันมีแต่กายกับใจสติมันทําให้เกิดปัญญาขึ้นมาแล้วก็รู้ในรู้ความจริงที่ลึกซึ้งมากขึ้น มันไม่ใช่แค่รู้ของจริงว่าเอาตอนนี้อารมณ์เกิดขึ้นความเศร้าเกิดขึ้นแต่มันทาให้รู้ความจริงคือรู้สัจธรรมนะของจริงเนี่ยก็อันนึงนะสัจธรรมก็อันหนึ่งนะแต่ว่าสัจธรรมมันก็อาจจะมันก็สามารถแสดงออกมาจากของจริงกายและใจมันก็แสดงสัจธรรมให้แก่เราได้อย่าว่าแต่กายและใจเลยคําด่าเนี่ยมันก็แสดงสัจธรรมได้นะหลวงพ่อมเก น, นะบอกแม่ถูกด่าก็เห็นสัจธรรมได้ แต่ ค, ตตนะคุณมีสตินะวคุณมีสติคุณก็จะคุณก็จะทุกข์แล้วเมื่อคุณทุกข์หรือโ ก, กรธก็ตามคุณก็จะหลงทันทีเลยแต่ถ้าคุณตั้งสติได้คุณไม่ทุกข์นะคุณก็จะสามารถจะเห็นปัญญามีปัญญาเห็นสัจธรรมได้นะฉะนั้นสงบเนี่ยนะอย่าอย่าไปนึกถึงแต่การสงบเพราะไม่รู้นะแต่ให้ลองรู้จักหรือเข้าถึงความสงบเพราะรู้ที่แรกก็รู้ด้วยสตินะแต่ต่อมาก็รู้ด้วยปัญญา รู้ด้วยปัญญานี่มันประเสริฐที่สุดเลยนะเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ต้องเจอกับสิ่งที่ไม่ถูกใจจะต้องเจอกับอนิจารวมจะต้องเจอเหตุร้ายถ้าเราจะคาดหวังความสงบเพราะว่าทุกอย่างราบราบรื่นโอเคเลิศเลอเพอร์เฟเนีเ่ยถ้าคุณคิดแบบนี้คุณผิดหวังได้ง่ายนะเพราะว่าชีวิตคุณเนี่ยจะไม่มีทางโรเจอรกรีป ก, กึหลักหรือว่าราบรื่นไปตลอดมันก็มีขรุขระบ้างนะอย่างที่สวด ทำบัตรทุกเช้าหรือทุกเย็นเนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงเพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงเพ้นความเจ็บไายไปไม่ได้นะเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงเพ้นความตายไปไม่ได้เราต้องพลาดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องเจอแล้วเจออีกบางอย่างเจอครั้งเดียวนะคือความตายแต่บางอย่างคุณจต้องเจอหลายครั้งเช่นความพลดพลาดวันนี้ไม่เจอก็ไม่แปลว่าคู่นี้จะไม่เจอ และที่แน่ๆคือความแก่ความเจ็บความป่วยเนี่ยคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับคุณแต่แม้มันจะเกิดขึ้นกับเรานะซึ่งเป็นข่าวร้ายแต่ข่าวดีคือว่ามันเกิดขึ้นแต่ใจไม่ทุกข์ก็ได้เราสามารถพาความสงบท่ามกลางความแก่ความเจ็บความพัดพลาดความล้มเหลวความต่อว่าดาทอะความไม่สม ความไม่สําเร็จรวมทั้งความตายได้เพราะอะไรเพราะรู้นะยังสงบได้แมก้กระทั่งวารสุดท้ายคือกำลังจะตายว่าตายด้วยใจที่สงบเพราะรู้ร่วมเป็นธรรมดาของสังขารนะหรือว่ารู้ว่ารู้ทันอารมณ์เวลามันเกิดขึ้นความกลัวความห่วงหาอะไรอะไรวางก็รู้รู้แล้วก็วาง เป็นการรู้แบบรู้ซื่อเลยรู้ซื่อเนี่ยมันช่วยคุณได้ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติจนกระทั่งถึงที่สุดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่คุณกำลังจะตายนะเมื่อมันมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นความกลัวความไม่ตกคุณแค่รู้ซื่ อ, อรู้แล้วก็ปล่อยให้มันผ่านเลยไปรู้แล้วก็ผ่านเลยไปมีความปวดเกิดขึ้นก็รู้ซื่ อ, อไม่ผักใสไม่ไปยึดเอาความปวดเป็นของฉันแล้วก็ไม่พยายามกดข่มมันอยู่กับความ ปวดได้เพราะรู้สื่อๆนะเพราะสุดแล้วนี่สําคัญมาเพราะว่าเมื่อเราจะตายเราคงจะไม่ได้ตายแบบทันทีเราคงจะไม่ได้ตายแบบหลับไปเลยนะสิบเปอร์เซนตายทันตายตายแบบทันทีแต่เก้าสิบเปอร์เซนเนี่ยตายแบบมีความเจ็บปวดแล้วก็มีทุกขเวทนาบีบคั้นสารพัดแต่ทุกคุณรู้จักรู้สื่อๆนะเออ ความเจ็บปวดก็ทํำลายจิตใจบีบคั้นจิตใจไม่ได้แล้วเมื่อจะตายแล้วเมื่อกลยจะหมดลมมันมีความกลัวมีความมีพายุอารมณ์สาพาธที่ผ่านเข้ามาคุณก็รู้เฉยๆมันก็ผ่านเลยไปรู้ซเฉยๆนี่บางทีก็เหมือนกับนั่งเหมือนกับนั่งรถทัวร์นะคุณนั่งรถทัวร์เนี่ยคุณก็ผ่านคุณไปไหนคุณก็ผ่านตลอดผ่านตลอดคุณเจออะไรคุณผ่านตลอดนะไม่มีแวะนะ แต่ถ้าคุณนั่งรถส่วนตัวนี่แวะเนะี่ยแวะทุกที่เลยนะ <c oughs> เจออารมณ์ใดนี่แวะหมดคือไปคล่องแวะกับมันไปทะเลาะไปต่อรต่อเฉียงกับมันนะไปตกลมบัลกับทุกอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาในใ จ, ใจิตใจตอนจะตายเนี่ยนะนะคุณต้องนั่งลถทัวร์นะผ่านตลอดนะ <c oughs> คุณอย่านั่งรถเก่งนะถ้าคุณแวะนะแวะเสร็จเลยนะคุณไปอาบายง่ายๆเลยนะเจอความกลัวก็โหไปสู้รถตบมือกับมันเจอความอะไรอาวรณ์หวงลูกหวง ห, วงหลานก็ไปหมกบุ่นนะคิดถึงลูกถึงหลานนะ อันนี้เราแวะนะคือเข้าไปในอารมณ์นั้นเนี่ยไม่สงบนะนั้นรู้สื่อๆเนี่ยนะมันใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันตายนะแล้วคุณจะไปอย่างสงบเอาเราก็ใช้เราพอสมควรแล้วก็ขออนุมโมทนาให้ท่านทุกท่านได้เข้าถึงภาวะที่รู้ซื่อๆนะที่ช่วยทําให้ได้ประสบความสงบและพ้นความสงบทั้งชั่วคราแลสงบที่ ที่ลึกซึ้งถาวรอย่างที่พูุทธเจ้าตรัสว่าสุขอื่อนเยี่ยความสงบไม่มีนั่นก็คือพระนิพพานนั่นเอง <c oughs> <c oughs> ก็ขอให้ได้เข้าถึงความสงบด้วยการรู้ซื่อๆเหล่านี้จนถึงที่สุดแห่งทุกข์ด้วยเทิญ